สมัยก่อนเข้ามาก็นึกว่าสัตว์มันคงไม่เท่าไรเลยนะแต่ตอนนี้เชื่อแล้วว่ามันมากจริงๆเลยบูเดราชาันทั้งหลายสัตว์น้ากับสัตว์บกไหนมากกว่ากันสัตว์น้ํามากกว่าแล้วสัตว์บกล่ะสัตว์ที่อยู่ใต้ผิวดินกับข้างบนผิวดินไหนมากกว่ากันใต้ผิวดินมีมากกว่าแล้วใต้ผิบนพื้นแผ่นดินตัวเล็กกับตัวใหญ่ไหนมากกว่ากัน ตัวเล็กมากกว่าไอ้ที่เรามองเห็นเนี่ยถือว่าตัวใหญ่แล้วไอ้ที่ไม่เห็นอีกเท่าไหรนะ่นี่ะตัวที่ใช้ตาเปล่ามองไม่เห็นอีกเท่าไหร่แล้วก็ใหญ่เออนะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเท่าไก่กันเล็กกว่ไก่ตัวไหนมากกันเล็กกว่าแล้วก็ถ้าเทียบใหญ่ๆขึ้นมาแล้วตัวใหญ่ๆจริงๆมีไม่เท่าไหร่ถ้ายิ่งมนุษย์ด้วยแล้วมนุษย์เนี่ยถ้าจำนับจํานวนในโลกนี้ก็มีแค่ห้าหกพันล้านเองไม่มากนะนะถ้าเทียบกับพวก ตัวไรฝุ่นไรอะไรน้ำเนี่ยนะตัวไรฝุ่นไรน้ำหรือไรอะไรแล้วถือว่า น, นิดเดียวเนี่ยนะย่อลงมาเป็นปลาอยู่ถ้าไปอยู่ในท้องปลาสวายได้ไม่กี่ไม่ถึงฝูงมั้งนะนะเพราะปลาสวายนี่ไข่มันแหมถ้าน้อ ง, น, องน้องจานเนี่ยใส่จานในแล้วเละเยอะแยะไปหมดเลยมันเดรัจย์บายเนี่ยจึงเยอะมากแตใบมาจากไหนมาจากใจที่เศร้าหมองจึงอยู่ตอนนี้เราทั้งหลายสําหรับคนทั่วๆไปวัดกันด้วยศักดิ์ศรีหน้าตาเกียรติยศหรือวัดด้วยอย่างอื่นทั้งหมดแต่ของของคำสอนเนี่ย เกี่ยวกับชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งเขาวัดกันที่คุณภาพตัวความคิดนั่นนะวัดที่คุณภาพของจิตใจจิตไปไปตามจิตโลกเนี่ยปฏิสนธิก็คือปฏิสนธิจิตทั้งหลายนั่นแหละนั้นประจับปฏิสนธิจิตนะที่ใดแห่งหนใดณที่ไหนอย่างไรก็สุดแทแต่ว่าจิตก่อนตอนนั้นเป็นอย่างไรเทียบไปอย่างนี้ดีใจนะเอ อ, อดีตชาติเราหลุดมาเป็นมนุษย์ได้ยังไงเนี่ยทำบุญอะไรมานะไม่นะ่ะมันไม่ใช่ของง่ายอย่างนันนะจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย แม่ดีใจจังเลยที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไหมมาเยอจริง ๆ, ๆปัญหามันน่าหนักใจแล้วชาติต่อไปล่ะเออตอนนี้มันก็น่าหนักใจแล้วยังมีพระพุทธเจ้าแล้วชาติต่อต่อไปอีกต่อไปแล้วต่อไปอ ก, ก็บอกอู้อะไรจะไปคิดอะไรไกลขนาดนั้นท่าน น, นะในโลกนี้เขาไม่ค่อยมีใครคิดปัญหาปากท้องแค่วันเดียวรอกใช่ไหมถ้าเราย่อลงมาชาติทั้งชาติให้มันเหลือวันเดียวล่ะเราควรคิดปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะวันนี้วันเดียวใช่ไหมหรือคิดแค่พรุ่งนี้ก็พอ คิดสามวันข้างหน้าก็พอถ้าย่อชีวิตย่อหนึ่งชาติเท่ากันหนึ่งวันเนี่ยนะเราควรจะมองชีวิตกี่วันดีร้อยวันสามเดือนปีหนึ่งปีหนึ่งก็สามร้อยกว่าวันเองถ้ามองสิบปีสามพันกว่าวันยี่สิบปีเจ็ดพันกว่าวันเนี่ยนะเอ็มตกลงมองยังไงดีควรแล้วชีวิตของเราที่เวียนว่ายตายเกิดควรจะมองกี่ชาติดีเนี่ยนะแล้วพวกนั้นเนี่ยถามว่าอะไรพาไป ก็มีอย่างก็คือมีกุศลกับอกุศลซึ่งมันอยู่ในจิตอะถ้าเราฝึกจิตไม่สาเร็จอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเก่งนะเขาก็กรวดน้ำให้สองถ้าเราไปเป็นพวกอเดรรชานทั้งหลายเขาอาจจะเอาอาหารไปฝากบ้างเป็นครั้งคราวแล้วก็หิ้วต่อไปเนี่ยนะเดือดร้อนจริงๆวันถ้าเราไม่สงาเร า, เาจะคิดให้มันดีๆเนี่ยเราเองเนี่ยมันช่างอาภัพเหมือนกันนะะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากําพราณาธาแบบ สุดๆจนสุดๆจากอริยสัพย์ทั้งหลายนี่เราลองมาวัดดูนะคือตรงนี้เราจะหลอกตัวเองหรือไม่หลอกตัวเองก็ช่างเถอะใครจะมั่นใจว่าแหมยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถอะก็วัดกันที่คุณภาพจิตเพราะจุติไปแล้วหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยนะอัคราณเหสีของพระราชาบางพระองค์ก็ไปกระดึบ๊บกระดึ๊บเป็นนอนอยู่ในมูลโคลเนี่ยนะพูดอย่างนี้หลายท่านไม่เข้าใจรอกของมาสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยนะเราให้ฟังเคย เมื่อก่อนเนี่ยเคยไปขุดไอ้แมงกุดจีเนี่ยนัก็คือแมลงขี้ควายองนั้นน่ะแมลงขี้วัวขี้ควายเคยขุดมาหมดแล้ะนะขุดมาเป็นกิโลกิโลนั huh ่นแหละไม่ใช่ขุดมาตัวของตัวด้วยนะเห็นมาหมดแล้วนั้นคําพูดในพระไตรปิฎกเนี่ยนึกภาพออกหมดเลยเนี่ยนะวันนั้นถามว่าเราพ้นจากสภาพแบบนั้นหรือยังบางครั้งเนี่ยเราไปบานจังหวัดเนี่ยไปเห็นเด็กๆมันขุดอย่างนั้นเราก็นึกเลอีกแล้วเนี่ยนะจนียแป้วขึ้นมาเลยเนี่ยนะเห็นเขาทุบหัวปลาปั๊บกระจายในแป้วอีกแล้วเนี่ยนะ นี่ตอนนี้ทั้งเป็นโรคปอดจริงๆเลยกลัวไปทุกเรื่องเลหมดทนะนะปอดก็คืออะไรปอดไป้องปอดเขาหมายภาวะไปทุกเรื่องนะก็ถามว่าถ้ามันน่ากลัวจริงหรือไม่น่ากลัวจริงอ่ะนะเพราะมันน่ากลัวจริงๆเลยแหละแล้วถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันมีแค่ครั้งเดียวมันไม่น่ากลัวร้องมันมีเป็นคูณร้อยคูนพันคูณหมื่นคูนแสนไม่มีที่สุดไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นบางคนบอกว่าฉันจะบรรลุแล้วจะพ้นทุกข์แล้วอ่อะไรมา ในท่ามกลางสภาพบรรยากาศที่เรียกว่าหมดหมดอะไรเลยนะเหลือแต่จิตขนาดนี้แล้วก็ค่อยสร้างคุณภาพจิตตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรอา น, นิจจังสิอา น, นิจจังว่ายังไงเออทุกครั้งสิอนัตตาสิไม่รู้หรอกเเถอะถึงอา น, นิจจังก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละว่าแต่อาจจะจำจำได้แต่คำว่าอา น, นิจจังเลยไม่เข้าใจแล้วไอ้ที่เหลือมันคืออะไรทุกทุกพัดกำลังเจ็บปวดนะทุกพัะตัวเองกําลังเจ็บปวดไม่ใช่เพราะเพราะมีปัญญาเห็นทุก รู้สึกรู้จักแต่ความเจ็บปวดแต่ไม่รู้จักทุกอนัตตาก็จําเขาได้อนัตตาอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาไม่รู้สักอย่างเลยเนี่ยนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันน่าสงสารขนาดไห น, นจะเอาแต่อวิปัสนาอินทรีมีตั้งห้าข้อโพชงมีตั้งเจ็ดข้อโพธิปัจจะธรรมมีตั้งสามสิบเจ็ดข้อและที่เจริญเนี่ยมันได้อะไรมัง่งมงคลมีตั้งสามสิบปดข้อเนี่ยนะโพธิปัจจะธรรมมีสาสิบเจ็ดอ่ามงคลมีตั้งสามสิบแปดเป็นต้นแต่ละอย่างเนี่ยเรามา เช็คกันดูตรวจเขาเรียกว่าตรวจอะไรแบบอ่านค่ามเม็ดเลือดอะนะเอามาแยกเลยเอามาแยกมาแยกมาแยกตัวความคิดเนี่ยค้นเอามาแยกมาแยกเราจะรู้ว่าชาติต่อไปเราควรไปเกิดที่ไหนดี <c oughs> พันธาสัตว์ทั้งหลายจะไปสวรรค์เพราะการอ้อนวอนก็ไม่มีใครตกนรกอยู่แล้วนะถ้าจะปรินิพานเพราะการขอร้องมันก็ปรินิพานกันหมดแล้วแล้วเอาอยัางไงล่ะ ว่าใจของเราไม่ใช่ง่ายๆนะอย่าว่าก่อนตายเลยตอนธรรมดาธรรมดาเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่แหละบอกขอให้สบายใจหน่อยได้ไหมบอกพอแล้ววันนี้เนี่ยมันเดึกแล้วได้เวลาพักผ่อนแล้วอย่าหนักใจมากเลยแล้วเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องถึงหนักใจตอนนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกฟังกันนะคุยกันง่ายๆไหมไม่เอาหรอกเชื่อบางทีนะเออทำไมใช้ใช้ความคิดเปลืองไปบอกว่าบางเรื่องควร ค, คิดแค่สองนาทีก็พอทั้ป้าเขาไปคิดไปสองชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เลิกคิด ปัญหาว่าสองชั่วโมงอันนี้ต่อวันนะบางทีมันคิดต่อเดือนอีกนะมันคิดคูณต่อเดือนแล้วก็ต่อปีอีกบางเรื่องรู้คิดทําไมให้มันมากมายขนาดนั้นแล้วถ้าคิดอะไรมากใจก็น้อมไปเพื่อสิ่งนั้นด้วยเพราะมันชํานาญในเรื่องนั้นใจเนี่ยนะมันเหมือนกับกระแสน้ําไหลเหมือนกันมันไหลไปทางไหนบ่อยๆมันก็ชํานาญถ้าไหลไปกับเรื่องไหนบ่อยๆเนี่ยอย่างแม่น้ําทั้งหลายเมื่อก่อนมันไม่ใช่เป็นแม่น้ํามันเป็นดินธรรมดานี่แหละ เสร็จแล้วก็ฝนตกจากที่สูงมันก็ไหลเซ้อไปผ่านไปครั้งหนึ่งก็เป็นร่องไปหน่อยหนึ่งไหลผ่านไปครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันก็ลงลึกลึกลึกลึกลึกึกลึ ก, ล ก, ล ก, ลกเป็นร้อยกิโลก็ได้เนี่ยนะถ้าไหลไปลึกจริงๆเลยก็ได้ใจของเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะนึกอะไรอะ่ะ เันก่อนที่จะจุติเรานึกถึงอะไรเพราะเราเห็นความว่าคนที่จะตายธรรมดากับการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันห่างกันชนิดที่เรียกว่าเทียบกันไม่ติดวัดกันไม่ได้เลยปุถุชนทั้งหลายยากยากไร้แท้ในอริยทรัพย์สําหรับคนที่ศึกษาธรรมนาทั่วๆไปก็มีเนี่ยอ้างว่าพุทธังสารนังคัจฉามิเออมีแล้วมีเนี่ยดูซิว่าเราตรวจ ด, ดูว่าพุทธังสรนังคัจฉามิของเราเนี่ยมีมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะ ธรรมังสารนังคัจฉามิของเราเนี่ยมั่นคงแค่ไหนสังขังสารนังคัจฉามีเราดีไหมเจตปานาติปาตาเวรมณีเจตนาตัวเนี้ยเป็นอย่างไรดึงเอามาผุดขึ้นผุดขึ้ น, ผ, นผุดขึ้นอย่างงี้ได้เลยนะดึงขึ้นมาใช้ได้หมดเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็อนุมโมทนาด้วยโหมีบุญจังเลยเนี่ยนะทำบุญมาดีมากสะสมมาดีมากแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็มันก็น่าสงสารจริงๆอ่ะนะมันก็น่าสงสารแต่เชื่อไหมเขาบอกว่าคนโดยมากก็ ข้อปฏิบัติเขามีอยู่มักข้อเดียวคือไม่ต้องไปสนใจมันเห็นไหมไม่ต้องสนใจเลยเนี่ยนะัคือคือข้อปฏิบัติของปุตุชนทั้งหลายข้อปฏิบัติที่ปุตุชนพร่ำสอนปุตุชนและปุตุชนพยายามที่จะปฏิบัติตามคือไม่สนใจอย่าไปสนใจไม่ต้องเอามาคิดหรอกว่านั่นะแต่ของพระพุทธเจ้านี่คิดไหม คิดละเอียดมากถ้าใครเรียนอภิธรรมปีดกมายิ่งชัดเลยว่าพระองค์วัดความคิดทุกละเอียดยิบเลยนะเม uts, ็ดความคิดทะจุถ้า จ, จิตแบบนี้ปฏิสนธิควรจะต่อที่ไหนถ้าจุติจิตชนิดนี้เช่นถ้ามนุษย์จุติปฏิสนธิควรต่อได้ที่ไหนบ้างเครียกว่ามีการเชื่อมต่อถ้าจุติจากนรกปฏิสนธิที่ต่อที่ไหนได้บ้างถ้าจุติจากเปรตปฏิสนธิที่ต่อที่ไหนได้บ้าง ถ้าจุติจากเดรัชานปฏิสนธิต่อที่ไหนได้บ้างถ้าปฏิจุติจากมนุษย์ปฏิสนธิต่อที่ไหนได้บ้างถ้าจุติจากเทวดาปฏิสนธิต่อที่ไหนได้บ้างถ้าจุติจากพรหมปฏิสนธิต่อที่ไหนได้บ้างถ้าผู้ทีรร่ทากิจในอรยิยสัจเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วถ้าจุติดับปฏิสนธิได้เพราะอะไรอันนี้เล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วพง์ก็จึงเอามาบอกไงว่า จุติจิตจากนรกเนี่ยมาปฏิสนธิในมนุษย์เทวดามีปริมาณที่น้อยมากจะจุติจากนรกแล้วปฏิสนธิในนรกเนี่ยมีมากกว่าที่เขาบอกว่าไอ้ตกนรกกันเป็นกับกับเนี่ยนะเป็นเป็นกับกับเนี่ยเป็นหลายหพันล้านปีมันไม่ใช่ว่าปฏิสนธิครั้งเดียวมันจุติแล้วปฏิสนธิจุติแล้วก็ปฏิสนธิอยู่ณที่นั้นซ้ําๆำซักซ่าแล้วแล้วเล่าเล่าเนี่ยนะแล้วๆเล่าเแล้วแล้วเล่าเเนี่ยอยู่ซ้ําๆกันเป็นกับกับก็มี เพราะอะไรเพราะจุติแล้วก็ปฏิสนธิอย่างเช่นภูเขาบดมาทั้งลูกแล้วก็ตายแล้วก็ปฏิสนธิต่อไปอีกอ น, นะแล้วก็ลักษณะนี้ทัานจุติจากเดราชานสู่เดราชานจุติจากเดราชานสู่เดราชานมันเดราชานจุติแล้วมาสู่มนุษย์และเทวดามีจํานวนน้อยโดยมากก็ต่อไปล่างๆมากกว่าแล้วจุติจากมนุษย์แล้วเราจะมาไหนอีกอเอาเอางี้หนึ่งของพวกเรานี่มันคิดอะไรที่มันสูงกว่ามนุษย์เนี่ยมีบ้างไหมเอา<ม>คิดถึงฮีโอตาปะเนี่ยนะเอา ถ้าคิดถึงระดับมนุษย์ด้วยกันนะคิดถึงกรรมบทสิบได้ไหมถ้าคิดถึงกรรมบทสิบไม่ได้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยไม่มีความมั่นคงเลยแม้แต่นิดเดียวชาติต่อไปมนุษย์ก็อย่างหวังยากเลยว่า ง, งั้นถ้าคิดถึงกุศลกรรมบทไม่ได้ก่อนตายความเป็นมนุษย์เนี่ยหวังได้ยากเต็มทีเมื่อก่อนเคยบอกเออเราเนี่ยเป็นคนคิดมากอย่างนี้เลยหรือเนี่นยนะจริงเขามาคิดมากอย่างนี้มาสิบสี่ 13, ปีสิบสามสิบสี่ปี นะเมื่อสิบี่ปีที่แล้วนี่เครียดมากกับเรื่องนี้เฮ้ยจะไปไหนเนี่ยเนี่ยนะตกใจอยู่คนเดียวเป็นวัยรุ่นอยู่จะเงือท่วมเลยบางทีนั่นนะก็ยังหนักใจแล้วไปเรื่อยๆอีกนนแหละ แ, แล้วมันก็เป็นเอามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบัวปีที่หนึ่งสองสามสี่นี้ก็ยิ่งเป็นเอามากขึ้นมันเครีดมากขึ้นยิ่งเรียนอภิธรรมบ้างเรียนพระสูตรอ่านพระไตรปิฎกมาเยอะๆเข้าเอ๊ะมันชจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นเอ๊ะเอาไงดีครัะเนี่ยแก้อย่างไรดี ตอนนี้ใครเข้าใจบ้างก็ช่วยบอกว่าทํำยังไงดีให้ท่องนะท่องโมอิติปิโสหรือว่าว่ายังไงเอาว่ามางั้นนะบอกมาเลยแล้วมันดียังไงเอาแล้วมันแก้ทําไมมันแก้ปัญหาได้แล้วทุกพูดแล้วอธิบายได้นะพูดแล้วชี้แจงได้ทั้งหมดแล้วแยกแยะได้ทั้งหมดเนี่ยนะขี่เหมือนว่าวิชาเขียนแผนที่เลยมันนั่งขีดให้มันดูขีด่ดูสิไปยังไงมายังไงไม่ใช่หลอกนะห้ามหลอกกันนะเพาหลอกก็ไม่เชื่ออยู่แล้วมานั่งขีดตารางดูว่าความคิดถ้าจุติแล้วควรจะปฏิสนธิที่ไหน บอกนี้เออเราเนี่ยมันคิดมากไปมั้งนี่เราก็เห็นฝูงอ่ะนะเดินพอเดินบางทีก็เดินอ่ะนะแบกสะพายบาดแบกกรดเนี่ยนะก็นึงเห็นฝูงควายเออเราเป็นคนคนเดียวก็ดีกว่าควายทั้งฝูงก็แล้วกันอย่างนี้ก็มาคิดเท้าข้างตัวเองเนไงนะขอเป็นคนสักคนก็ดีกว่าควายทั้งฝูงโอเีแต่ไปไปเห็นฝูงปลาโอ้ยเนี่ยถ้าเราเป็นคนคนเดียวก็ดีกว่าปลาทั้งฝูงก็แล้วกันถ้าไปเห็นฟาร์มสัตว์ เออเราเป็นคนคนเดียวก็ดีกว่าฝัตทั้งฝูงเพราะฉะนั้นจะหลุดไปสักคนก็ยังดีอย่างนั้นนะก็เลยพยายามปลอบหลอกตัวมันก็เนียอะไรเกลี้ย ก, กล่อมตัวเองให้เจริญต่อไปเถอะว่ า, างั้นถ้าเราอย่าไปเป็นพวกชนจํานวนมากเลยขอจะเป็นส่วนน้อยนิดหนึ่งก็ยังดีเพราะมันลองให้มันรอดเถอะว่างั้นชาตินี้เราเป็นเสรีชนและเกิดมาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างที่ชอบว่บางั้นแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมาคนเดียวนั้นเราจะไปคนเดียวเพราะเราไม่ได้เกิดมาแฝดอะไรเนี่ยนะก็ไปคนเดียวของเราได้ มันไม่ต้องมีแฝดหัวติดกันอกติดกันก้นติดกันอะไรไม่มีเพันเราก็ไปคนเดียวของเราได้แล้วลราจะเลือกทําอะไรของเราดีกันเนี้ยกำลังมาคิดคิดคิดขึ้นเนี่ยยิ่งมาเห็นมหาปรินิพานสูตรเนี่ยชัดเจนเลยว่าถ้าพระอริยเจ้าปรินิพานแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นเป็นอย่างไรแล้วปุถุชนทั้งหลายตายจากโลกนี้เป็นอย่างไรเราก็ไม่ค่อยๆ ค, ค, คิดในภพสามกำเนิดสี่คติห้า วิญญาณทิติ7็ดสัตตาว่าเก้าปฏิสนธิรูปปฏิสนธินามปฏิสนธิก ร, รมมัชรูปเนี่ยนะปฏิสนธิจิตแล้วตัวปฏิสนธิจิตทั้งหมดมีกี่ประเภทเนี่ยนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าศึกษาไม่ดีเนี่ยฟุ้งซ่านแล้วก็สับสน แต่ถ้าจงจําคําสอนเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะไม่ไม่เท่าไหรเนี่ยนะเพราะพระ อ, องค์ทำให้ง่ายหมดแล้วคิดว่าเป็นปัญหาแง่ปมทั้งหมดพระพุทธเจ้าเอามาคลี่ให้เราดูหมดแล้วปัญหาว่าอยากเห็นหรือเปล่าแค่นั้นเองอนะบางคนก็อะไรนะมันพอจะเห็นได้แกล้งทำเมตตาพรลาบอกมองไม่เห็นเขางั้นแกล้งทําเมตตาพลาซึ่งปกติมันก็มองไม่ค่อยจะชัดอยู่แล้วเนี่ยนะนะแกล้งให้มันพลาดเข้าไปอีกบอกเฮ้ยไม่รู้เรื่องวุ่นวายเฮ้ยนับปวนหัว นะนะเออตามสบายกันแล้วกันทางใครก็ทางใครเนี่ยนะแล้วก็อะไรพอที่จะปลอบใจตัวเองได้บ้างตอนนี้ก็มีกรรมเป็นของของตนนะนะมีกรรมเป็นของของตนอุติไปอ่านอยู่และอ่านธรรมบทข้อความหนึ่งให้ฟังซึ่งแหมเป็นสูตรที่ชอบมากเลยเขาก็อ น, นะแทรกระหว่างตอนที่ก่อนปรินิพพานว่า